แต่งตั้งเสนาสนะปัญญาปะกะและพัดตุทเทศกะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงแต่งตั้งทัพพระมรรบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะและพัดตุทเทศกะ